สนวังคะเมื่อสักครู่นี้ในช่วงถามโลกตอบธรรมพระอาจารย์ไพบุรแัะพิปุณโ น, นนั้นก็ได้ช่วยขยายความในส่วนของสุญญาตาซึ่งบังเอิญจะเป็นการที่ดิฉันนำเอามาอ่านพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับสุญญาตาวิหารเนี่ยนะคะเนื่องจากพระพุทธองค์ได้เคยตรัสกับพระอนุนว่าเป็นวิหารธรรมที่ทรงอยู่มากที่สุดตลอดพระชนแม้ขณะแห่งธรรมกถา พระพุทธองค์ก็ทรงอยู่ด้วยสุญญตาวิหารดังที่จะอ่านให้ฟังต่อไปนี้เป็นการตรัสกับพระอนอนท์เช่นเดียวกันค่ะว่าอานนท์ก็วิหารธรรมนี่แลเราตถาคตได้รู้พร้อมเฉพาะหรือตรัสรู้แล้วในที่เป็นที่ตรัสรู้นั้นนั่นคือตถาคตเข้าถึงแล้วแลอยู่ซึ่งสุญยตาวิหารอันเป็นภายในเพราะไม่กระทําในใจซึ่งนิมิตภายนอกทั้งปวงอานนท์ในขณะนั้น ที่ตถาคตอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ถ้ามีผู้เข้ามาหาเป็นภิกษุบ้างภิกษุณีบ้างอุบาสกบ้างอุบาสิกาบ้างราชาบ้างราชอา ม, มาตบ้างเดียรทีบ้างอานน์ในกรณีนั้นตถาคตมีจิตที่ยังคงน้อมอยู่ในวิเวกโน้อมอยู่ในวิเวกแ น, กน่นแน่นอยู่ในวิเวกอยู่นั่นเองเป็นจิตหลีกออกจากโลกียธรรมยินดียิ่งแล้วในเนคขมะ เลี้ยงกล่าวแล้วจากอาสวัตฐานิยธรรมโดยประการทั้งปวงกระทําซึ่งกระทะอันเนื่องเฉพาะด้วยการชี้ชวนในการออกจากทุกข์โดยส่วนเดียวเท่านั้นอานน์เพราะเหตุนั้นในกรณีนี้ถ้ามีภิกษุปรารถนาว่าเราพึงเข้าถึงสุญญ า, าวิหารอันเป็นภายในแล้วแลอยู่ดังนี้ไซส์อานนภิกษุนั้นพึงกระทําจิตภายในนั่นแหละให้เป็นจิตตั้งอยู่อย่างสม่ําเสมอให้เป็นจิตหยุดภัก ให้เป็นจิตมีอารมณ์เดียวให้เป็นจิตตั้งมั่นผู้รวบรวมได้ตั้งข้อสังเกตไว้ตอนท้ายนะคะว่าแม้เมื่อจิตอยู่ด้วยสุญญตาวิหารก็ไม่กำหนดนิมิตหรืออารมณ์ภายนอกทั้งปวงจิตรู้สึกอยู่ในรสของพระนิพพานโดยไม่ต้องสูญเสียความรู้สึกเช่นนั้นไปจากจิตปากก็ยังพูดเรื่องราวที่เคยพูดมาจนทิมได้โดยเฉพาะในกรณีนี้คือเรื่องแห่งความดับทุกข์ ซึ่งเป็นเรื่องที่แจ่มแจ้งและเคยชินสำหรับพระองค์อย่างถึงที่สุดนั่นเองปากจึงทำการพูดออกไปได้ด้วยจิตสำนึกที่เคยชินต่อเรื่องนั้นโดยที่จิตไม่ต้องหยุดจากการดื่มรสของสุญญาตาวิหารแม้ในขั้นที่เป็นปรมาุตระสุญญตาซึ่งราวกับว่ามีจิตสองจิตหรือสองชั้นทำงานร่วมกันผู้รวบรวมก็ยังฝากนะคะว่าคนที่สนใจการปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติธรรมก็ต้องวินิจฉัยด้วยตนเองต่อไป ส่วนท่านที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะคะแล้วสนใจรู้เรื่องราวก่อนหน้าที่จะทำให้ท่านพร้อมเมื่อไหร่แล้วไปปฏิบัตินี้ก็ถือว่าเป็นการรับฟังเอาไว้จะได้รู้ว่าพระพุทธองค์ต ร, รัสเล่าเรื่องพระพุทค์เองเอาไว้อย่างไรในรายการสัมสนีสนทนาที่ท่านฟังอยู่นี้เราอ่านให้เป็นประจำนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงที่จัดว่าก่อนสุดท้ายและจวนจะปรินิพานแล้วค่ะ วันนี้เช่นกันอยากจะส่งท้ายเรื่องของทำความคุ้นเคยกับพุทธวจนธรรมวินัยจากพระพุทธโอดนะคะว่าเราก็มีหนังสือที่ยังแจกให้ท่านอยู่เช่นเคยคือพุทธวัตรฉบับ9้าย่างอย่างพุทธะติดต่อมาที่ 02-269-006 6และ 02-269-0060 ส่วนรายการของเราวันนี้พอควรแก่เวลาคะ่ะพรุ่งนี้พบกันเวลาเดิมนะคะสวัสดีคะ่ะ